<c oughs> อ๋ออมีความสุขกันทุกคนวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่เรมสิบห้าคำเดือนเดือนแปดหรือว่าศิลดับจัดโยบข้พผ่ากันมาทำบุญกันเยอะในว่าที่ไหนในในประเทศของเราที่นับถือพุทธศาสนา มีโอกาสก็ได้ทำบุญถวายทานกันเป็นประจำเป็นจิตเจวัดไม่ว่าอยู่ที่ไหน ก, นก็ฝากฝ่ในการทำบุญในการทำบุญในการให้ทานมีศรัทธาน้อมกายน้อมใจเข้ามาศรัทธาต้องเกิดปัญญาด้วยศรัทธาต้อง มีปัญญาเกิดจากการเจริญภาวนาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามคำสอนของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบความจริงในชีวิตในอัตภาพร่างกายเห็นความเกิดความดับรู้วิญญาณในกายของตัวเรา เป็น ญ, ญาณของทุกคนนี้หลงหลงมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดหลงในภพน้อยภพใหญ่อันนั้นเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเราอย่าเอาเก็บมาใส่ใจของเราพระพุทธองค์ท่านให้เจริญสติลงที่กายของเราค้นคว้าอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนาม วิญญาณในกายของเราเป็นอย่างไรความเกิดความดับของวิญญาณแต่ละวันแต่ละวันแต่ละนาทีเขาเกิดทักี่ครั้งเกิดทักี่เที่ยวตรงนี้แหละนส่วนมากเราจะมองเห็นเฉพาะความเกิดทางด้านกายเนื้อซึ่งเรียกว่าพบมนุษย์มีขันห้ามีวิญญาณตัววิญญาณนี่แหละสำคัญ ตัดถึงให้เจริญสติเข้าไปอบรมใจหรือว่าวิญญาณของเราอืจําแนกแกะแง่งออกให้เห็นชัดเจนว่าเป็นกองไหนกองไหนหรือว่าเป็นขันทิธาโนเป็นขันเป็นกองแต่เรามองเห็นในภาพรวมคือตัวเราอย่างเดียวเราไม่ได้จําแนกแกะแง่งว่าอันนี้วิญญาณในกายเป็นอย่างนี้การเกิดการดับเป็นกุศลหรือว่าอกุศล เป็นกลางกลางอันนี้คือส่วนรูปทุกเรื่องทุกเรื่องเนื่องจะตื่นขึ้นมาเนืงแง่ะตื่นขึ้นมาถ้าเรายัางเดินปัญญาแยกรูปแยกนามไม่ได้เพียงแค่การสร้างความรู้ตัวหรือว่าจเจริญสติลงที่กายของเรานี่ก็ยากลำบากไม่ต่อเนื่องก็เลยเข้าไม่ถึงความบริสุทธิ์ของใจได้แต่ทาบุญให้ทานสร้างบรารมี การอยู่ตรงนี้ไม่พยายามเดินไม่พยายามเจริญสติเข้าไปแทงให้ตลอดการแยกรูปแยกนามการทำความเข้าใจการละกิเลสหยาบิเลสละเอียดหมุนทินต่างๆนิวรณ์ธรรมต่างๆซึ่งมีอยู่ในกายของเราเราไม่ได้ศึกษาให้ตลอดให้ต่อเนื่อง ก็ต้องพจยายามไม่ว่าพระว่าโยมบชัชีมีขันห้าเหมือนกันหมดเราอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งเฉดดายเวลาถ้าเราสังเกตวิเคราะห์แยกแยะได้การพัฒนาทางด้านปัญญาก็จะเพิ่มมูนลมากขึ้นมากขึ้นเห็นความเกิดความดับของความคิดความคิดที่เกิดจากอาการ ของใจหรือว่าของขันห่านั่นแหละความคิดทีด่เกิดจากตัววิญญาณหรือว่าตัวใจในหลักธรรมท่านให้เจริญสติปัญญาตัวใหม่เข้าไปอบลมใจเข้าไปชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเ ห, เห็นผลจนใจมองเห็นความเป็นจริงได้ใจถึงกะยอมปล่อยยอมวางได้การสร้างบา ร, รมีในระดับคงสมมุติตรงนี้มีกันมีกันอยู่ตลอด แต่เราก็จะไปมองข้ามรู้จักสร้างอา น, นิสงส์งสร้างบุญสร้งางบารมีสร้างตะบะคนเราจะขึ้นสู่ที่สูงได้ก็อาศัยบุญบารมีเหมือนกับขึ้นบนบ้านจะขึ้นถึงตัวเรือนได้ก็อาศัยบันไดส่วนมากก็อยู่ในทานในศีลบันไดขันสมมุติเราก็พยายามทำให้กระจา้าให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเรา จนหมดความสงสัยหมดความลั ง, ลงเลในคำสอนของพระพุทธองค์ตั้งแต่ตื่นขึ้นนู่นแหละตั้งแต่ตื่นตั้งยังไม่รู้สึกตัวตั้งแต่ตื่นขึ้นรีบสำรวจรีบวิเคราะห์อันไหนควรละอันไหนควรจเจริญอันไหนควรดำเนินไม่ใช่ว่าปล่อยวันเวลาทิ้งเอาตั้งแต่อำนาจของกิเลสเข้ามาปกปิด ทิฏฐิมานะความเห็นแกดตัวตรงกับจัดออกไปดำเนินตามคำสอนของพระพุทธองค์ให้ปรากฏขึ้นที่ใจท่านถึงบอกให้เชื่อก็ต้องพยายามกันให้บรรลุถึงเป้าหมายทั้งโลกทั้งธรรมวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบวันนี้วันที่นันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ 23บวันที่26เห็นว่าหน่วยงานทางกรมทรัพย์บยากรได้มีจดหมายถึงพี่น้องตำบลสําราญของเราทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งกำนันให้ช่วยกันประกาศว่าวันที่26ให้มาช่วยกันบำเพ็ญบนุญ มาทำความสะอาดตามคันลองตามคูครองตามฝายต่างๆเพื่อที่จะบูชาทดแทนสร้างอนิสงส์ให้กับพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าที่ผ่านมาก็ขอเชิญชวนพี่น้องเรามาร่วมกันทำความสะอาดลำคลอง ปลูกต้นไม้ที่ฝ้ายที่ได้จัดสร้างขึ้นมานําจอบนําเม็ดนําเสียมมาด้วยจะได้พากันทําความสะอาดสิ่งไม้ที่ไม่เป็นระเบียบจะได้ทําการให้เป็นระเบียบทางหน่วยงานราชการก็ให้พากันจัดทำพากันมาร่วมกัน ตามหลักของความเป็นจริงก็ทั่วประเทศมีหน่วยงานต่างๆอยู่ใกล้ที่ไหนก็ทําที่นั่นที่นี้ทางตาบลสาราญของเราก็มีโครงการทางหน่วยงานข้างในก็มีโครงการที่จะดูแลรักษาทําความสะอาดคันคูคันครองน้ําต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดเป็นประโยชน์ <S <S 1> <S 1> สําหรับพี่น้องของเราวันที่26มากัน ประมาณเก้ามงเช้าก็จะได้ทำเนได้ไปทำความสะอาดกันมารับประทานอาหารที่วัดหลวงพ่อก็จะให้ทำลงทานต้อนรับทุกคนต้อนรับทุกคนทำมาตลอดทำรงทานมาตลอดก็ขอเชิญชวนพี่น้องเรามีโอกาสโอกาสมีทุกเวลานั่นแหละถ้าเรารู้จักตักตวงมีทุกเวลามีทุกลมหายใจข้ออก เราก็ลึกลงไปทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกมีความรู้ตัวรู้กายรู้ใจอะไรที่เป็นบุญอะไรที่เป็นประโยชน์เราก็รีบทำประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์ในโลกนี้ในโลกหน้านะั้นมั น, มนเดี๋ยวก็ถึงเองนั่นแหละท่านว่าให้ทำปัจจุบันให้ดีวันนี้มีพรุ่งนี้มีเดือนหน้ามีปีหน้ามีพบหน้ามีพ่อแม่พี่น้องมี ก่นถึงบอกให้สร้างอานิสงส์สร้างบุญทาความเข้าใจให้ได้เกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่หมดลมหายใจก็มีแต่รเรื่องบุญเรื่องบาปมีโอกาสก็ให้รีบทำหลวงพ่อก็ขอขอบใจทุกคนเมื่อวานนี้ก็ได้ทำการยกองค์พระขึ้นในวิหารเจดีย์ของเรา ก็ได้อาศัยผู้มีกำลังนำรถยกมาให้ก็คุณยมแพทยยมแพทยยมเอก็ได้ช่วยภาวนาได้มาช่วยตรงนี้เพราะว่าต้องใช้รถใหญ่รถเข็นใหญ่มาทำการยกรถเข็นเล็กดุนเล็กนี่ยกไม่ได้เลยน้ำหนักของหินยกขาวเยอะก็ยกได้สามสีเที่ยววันนี้ก็จะได้ทำการยกอีก ยกอีกประมาณจะถึงหน้าอกเห็นว่าจะยกอีกสักสองหรือสามเที่ยวก็จะจบองค์พวกเราก็ได้รวบรวมกำลังพลังทั้งทุนทรัพย์ทั้งแรงกายแรงใจมาช่วยการสร้างประโยชน์สร้างอานิสงส์ทางองค์พระพุทธ ร, รูปยกขาวใหญ่แทนองค์พระพุทธเจ้าระลึกนึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ แล้วก็สร้างท่านขึ้นมาเพื่อให้เป็นสริมงคลระดับสมดุดถ้าเราอยากจะดับทุกข์หลุดพ้นอีกก็ปฏิบัติตามคำสอนของท่านท่านสอนเรื่องการดำเนินชีวิตการบริหารกายบริหารใจการแยกรูปแยกนามการละกิเลสมีในคำสอนของท่านยังปรากฏอยู่บนโลกนี้ เขาเรียกว่าธรรมชาติของใจที่ปราศจากกิเลสใจไม่เกิดเขาก็บริสุทธิ์ใจไม่เกิดก็กลับคืนสู่สภาพเดิมคือความบริสุทธิ์ไม่ต้องกลับมาเกิดหรือว่านิพพานนั่นแหละนิพพานหมายถึงความบริสุทธิ์ความดุดพ้นความเย็นของใจไม่ต้องกลับมาเกิดอีก ในหลักธรรมจิตวิญญาณของคนเรานี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเกิดสักกี่เที่ยวความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจสักกี่ครั้งการเจริญสติเข้าไปอบรมใจที่เหตุที่ผลจนมองเห็นความเป็นจริงให้รู้เรื่องทุกอย่างนี่แหละตัวนี้สำคัญเพราะว่าใจนี่หลงมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดหลงมาเกิดอยู่ในภพมนุษย์ แล้วก็มายึดติดแล้วก็เกิดต่อหรือว่าคิดต่อส่งต่อกายเนื้อแตกดับก็ไปด้วยแรงเบี่ยงของกรรมถ้าเราเข้าใจในวิถีการดำเนินชีวิตเราก็จะไม่ให้ใจของเราเป็นทาตของกิเลสเป็นทาตของความเกิดให้ใจของเราสะอาดบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาให้เกิดด้วยสติเกิดด้วยปัญญาแม้แต่สติปัญญาถ้าเป็นอกุศล ท่านก็ให้ละให้ดับอีกมองโลกในทางที่ดีคิดดีทำดีมีโอกาสทำทำบุญอย่าไปปล่อยปะละเลยแล้วก็ญาติโยมท่านในปรารถนาที่อยากจะมาถวายลงศพหรือว่าซื้อลงศพก็เชิญได้นะในรดนี้หลวงพ่อก็สั่งมาอีก60สลง หมดเร็วไวให้บริจาครองศพให้กับพี่น้องของเราที่วายชนบางคนก็ลำบากบางคนก็ไม่มีที่พึ่งก็มารับขอรับอนุเคราะห์รงศพจากทางวัดของเราก็หมดไปประมาณ860กว่าลงแล้วก็อนุเคราะห์เรื่องทุนทรัพย์ให้ไปช่วยในงานศพอีกศพละห0 0พัน ก็เหลืออีกประมาณสี่ห้าโลงวันนี้ก็ต้องได้ต้องสั่งมาอีก60สโลงนี่แหละความตายไม่ได้เลือกการเลือกเวลาพวกเรามีโอกาสได้ทำบุญช่วยเหลือพี่น้องของเราใครมีโอกาสก็ขอเชิญมาร่วมอยากจะมาร่วมก็มาส่วนทางด้านปักธงชัยที่หลวงพ่อได้ดำริเอาไว้ว่าจะสร้างมหาเจดีย์ใหญ่ เดี๋ยวนี้ก็ดำเนินไปโยมได้ถวายที่เอาไว้ให้ประมาณ5 0 0ร้อยกัวไล่หลวงพ่อก็เลยให้ปลูกต้นชมพูพันทิพต์ต้นกะลปะพฤกต้นานางพญาเสือโครง่งต้นหางนกยูงกะว่าจะให้เป็นดงดอกไม้ใหญ่ของเมืองไทยเป็นสวนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ดำเนินปลูกไปได้ร่วมหมื่นกว่าต้นก็ได้มีผูจิต ศรัทธาเป็นบุญได้มาช่วยกันซื้อต้นไม้ก็ต้นละส0 0 5้0าต้นละพันรวบรวมซื้อแล้วก็ปลูกต้นใหญ่ก็ประมาณ อ, อสูง3ามสเมตรลำต้นก็ประมาณสองนิ้วหรือสมนิ้ว ถ้าปลูกต้นเล็กบนเขาบนนั่นก็เวลาเกิดลมเกิดผลมาก็ดินทับถมหมดก็เลยตัดสินใจปลูกต้นใหญ่ก็ญาติโยมของเราพี่น้องของเราก็จะพากันมาช่วยกันปลูกทางกรุงเทพก็มาช่วยกันปลูกทางฝั่งของเราก็ช่วยกันปลูกทางปักทงชัยก็ไปช่วยกัน ทั้งเหล่าทหารหน่วยงานต่างๆท่านก็ไปช่วยไปช่วยเจาะน้ำให้ตัดถนนหนทางให้เดี๋ยวนี้ก็ดำดำเนินไปได้หลายเปอร์เซน็น ก็กะว่า500กว่าไร่จะปลูกให้เป็นดงดอกไม้ใหญ่ภายในห้าปีหรือส0ปีถ้าพวกเรามีโอกาสคงจะได้ยินคงจะได้ไปชมดงดอกไม้ใหญ่ของเมืองไทยฝากเอาไว้ในแผ่นดินฝากเอาไว้ในโลกนี้กะว่าหลวงพ่อก็จะได้วันยี่วันประมาณสิ้นเดือนก็จะได้ขึ้นไปอีก ก็จะได้ไปดูเครื่องจักรมาตัดหินก็ว่าจะทำ เ, เจดีหินเพราะว่าหินเยอะขุดลงไปเท่าไร่เจอตั้งแต่หินหินเป็นก้อนใหญ่หญมาตัดเครื่องจักรใหญ่มาตัดหินจะทำเจดีหินใหญ่ใหญ่กว่าที่วัดของเราก็ประมาณทักสองเท่าเพราะว่าในรัสมีของเจดีนะั่นคือร0อยเม็ด มีโอกาสก็บอกกล่าวพี่น้องเราไปร่วมกันไปช่วยกันไม่นานก็เสร็จไม่เกินหาปีสิบปีตราใดที่ยังมีกำลังอยู่จะพาทำอา น, นิสงส์ใหญ่ป่าก็ไว้ในแผ่นดินทั้งที่วัดของเราทั้งที่โน่นไม่ไ่าอยู่ที่ไหนนี่ช่วยกันทำถ้าเป็นอา น, นิสงส์เป็นบุญเป็นอา น, นิสงส์ใหญ่ถ้าหมดลมหายใจแล้วก็หมดโอกาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิด เราพยายามทำบุญให้กระตัวเราจึงจะตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลานี้เดี๋ยวนี้ตามคำสอนของพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องชีวิตการดำเนินชีวิตการจเจริญสติเข้าไปมองเห็นตามความเป็นจริงการแยกรูปแยกนามการละกิเลสจนถึงจุดหมายปลายทางคือความบริสุทธ์ก็ต้องพยายามกันทุกอย่างที่เป็นบุญให้ช่วยกันทำตั้งใจรับพรกัน อขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันสักนิดหนึ่งอดทนนั่งต่อทุกขวเวทนาทางด้านร่างกายอีกสักพักหนึ่งสร้างต บ, บะสร้างบารมีนี่ นั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายไม่ต้องปนมือฟังไปด้วยน้มสำเนียกไปด้วยหลวงพ่อก็จะขอบอกกล่าวอย่างนี้แหละทุกวันทุกเช้าพวกท่านรู้จักวิธีการแนวทางแล้วก็พากันไปทำให้มีให้เกิดขึ้นสร้างความรูร้รบรู้ สัมผัสของลมหายใจเวลาหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรความสืบต่อความต่อเนื่องกันเป็นอย่างไรถ้าเราทำให้ต่อเนื่องตรงนี้เราก็จะเข้าไปถึงรู้ลึกลงไปอีกขณะที่เราจเจริญสติเราก็จะเห็นการเกิดการดับของใจหรือว่าตัววิญญาณในกายของเราความคิดตัวนี้เขามีมาเดิม เขาหลงมาเขาลงมาแต่ก่อนแล้วก็ลงมาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์แล้วก็มาสร้างขันหาปิดกั้นตัวเองเอาไว้แล้วก็ถ้าเยอทายานด้วยความอยากทั้งอยากทั้งไม่อยากเขาก็ปิดกั้นตัวเขาเอาไว้ลึกลงไปก็ความความเกิดของตัววิญญาณก็ปิดกั้นตัวเขาเอาไว้ท่านถึงให้เจริญสติเข้าไปอบรมใจรู้ไม่ทันตนเหตุเราก็รู้จักดับ รู้จักหยุดใช้สมถะเข้าไปดับเข้าไปหยุดฝึกให้เกิดความเคยชินแล้วก็จนรู้แจ้งเห็นจริงจนใจคลายออกจากขันห้าไงาขึ้นมาเขาเรียกว่าแยกกรูปแยกนามหรือว่าวิปัสสนาปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเปิดทางให้เพียงแค่เริ่มต้นการตามดูการรู้การเห็นการละกิเลสต้องตามมาอยากมีความเพียร น, นี่ต้องเป็นเลิศเลยทีเดียว เราก็ต้องพจายามคนทั่วไปก็ความเพียรไม่ต่อเนื่องแต่ศรัทธานั้นมีอยู่การทําบุญให้ทานการสร้างบา ร, รมีนั่นมีอยู่แต่การเจริญสติเข้าไปตามดูรู้เห็นการขัดเก่ากิริย์นี่ต้องตลอดเวลาจนเป็นอัตโนมัติจนหนุนกําลังสติปัญญาไปทําการทํางานใช้แทนปัญญาเก่าได้ นปัญญาที่ใจมันเกิดหรือขันห้าเกิดอ น, นัค เ, เรียวปัญญาคงโลกีอาจจะถูกต้องอยู่ระดับคงสมมติแต่ในหลักธรรมเราต้องให้มันสูงขึ้นไปกว่านั้นอีก มองเห็นลักษณะของใจใจไม่มีตัวตนเราก็ต้องมองและลึกรู้ด้วยความรู้สึกรลับรู้มีอยู่ในกายของเราเราพยายามตัดบันทอนภพชาติให้สั้นลงจนเหลือแต่พบมนุษย์ภบมนุษย์เราก็ดับความเกิดภายในใจของเราอีกจนใจไม่เกิดจนมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะกลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันถึงเกิดก็ขอให้เกิดอยู่ในกองบนกองกุนเป็นข้า พกเก้าหอิดตามตัวเราไปจนกว่าจะถึงความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นถึงความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นเราก็ยังอาศัยบุญบารมีอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่หลงไม่ยึดเหมือนกับเราขึ้นตัวเรือนจากบันไดขั้นแรกสองขั้นสามขั้นจนไปถึงขั้นสุดท้ายนี่เก้าถึงตัวเรือนเราก็ยังไปทำความสะอาดปัด กวาตัวเรือนของเราให้สะอาดอีกเราจะลงมาพื้นแล้วก็อาศัยปันไดแต่เราลงมาด้วยสติลงมาด้วยปัญญาเราไม่ได้ลงมาด้วยอำนาจของกิเลสเหมือนกับปัญญาของโลกี อย่าไปปิดกันตัวเองทุกคนมีโอกาสทุกคนมีบุญมีวาสนาหมดบุญมากบุญน้อยแล้วก็ค่อยทำกันไปถึงวัละเวลาแล้วก็ถึงจุดหมายล้มแล้วลุก ข, ขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่อยู่ตลอดเวลาส่วนมากก็มองเห็นตั้งแต่ภายนอก เอาตั้งแต่สิ่งต่างๆมาทับถมตัวมาทับถมดวงใจในขั้นแรกนี้ก็ใจก็มาสร้างขันห้าเนี่ยสร้างร่างกายขึ้นมาปิดกั้นตัวเขาเไว้แล้วก็ใจก็เป็นธาตุของกิเลสอีกกิเลสดีทั้งกิเลสไม่ดีในหลักธรรมท่านก็ให้ละหมดทุกอย่างสร้างคุณงามความดีเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนะ แนวมองใหม่คือหนุนกำลังสติปัญญาไปทําหน้าที่แทนใจให้มีหน้าที่รับรู้อยู่ภายในแต่เวลานี้เขาทั้งเกิดทั้งหลงตั้งยึดกว่าจะแก้ไขได้ทีละเปาะละเปาะเราต้องอาศัยเวลาอาศัยความเพียรอาศัยการส ร, าร้างบารมีเจริญสติให้ต่อเนื่องทําใจให้สงบสมสมองให้โล่งทากายให้โปรง่งมีความรู้รับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันสักพัก นะอ่ะปา ก, กันไว้พระพอมๆกันค่อยไปสร้างสารต่อทำความเข้าใจต่อพระหลักวันนี้ก็จะได้ไปลงอุโบสถสังฆกรรมกันที่วัดหลวงพ่ออุปชาก็ฉันข้าวเสร็จตรงสามโมงก็ออกมารวมกันอยู่ที่หนาวิหารประยก หรถยนต์ทันใดที่จะไปร่วมรงสังฆกรรมก็มารับพระของเราไปด้วยตอนนี้มนต์ทุกองค์ทุกรูปองไหนลำบากก็ไม่ต้องไปองค์ไหนพอที่จะไปได้ก็ไปกัน